บทที่ส2บสองและพินแยกทางกับบุญคำระยะอีกไม่กี่สิบเมตระจะถึงบริเวณบางพักโดยให้แกเปลีตัวไปเข้าแคมป์ยาอีกด้านหนึ่งป้องกันไม่ให้เห็นว่าบุญคำเดินเข้ามาพร้อมกับเขาเป็นการตัดปัญหาข้อสงสัยส่วนตัวเขาเองก็ย้อนเส้นทางเติมกับขาที่ไต่ขวดตามญิงช้างของนั้นไป อเมริกันทั้งสีและเชิดกำลังเดินตรวจดูตามตำแหน่งที่ซากช้างเหล่านั้นถูกยิงล้มลงอยู่อยรอบด้านและวิาพากษ์วิจารณ์กันเองเบาๆในความมุ่งร้ายและพฤติกรรมอันบ้าเลือดผิดวิสัยของช้างป่าโดยปกติของพวกมันซึ่งใช้วิธีการย่องเงียบเข้ามาเป็นการเปิดฉากโจมตีประชิดตัวราวกับเหนือจู่โจมของกองโจร ถ้าหากฝ่ายมนุษย์ทั้งหมดไม่สามารถจะยิงสกัดกั้นฆ่าพวกมันล้มตายลงกลายเกลื่อนรอบด้านไปหมดเช่นนี้ได้ทันทั้งขบวน20คนที่มาด้วยกันรวมทั้าสัมภาระข้าวของทงจะผลเป็นจุนไปนหมดแล้วเมื่อเขาปรากฏตัวโผล่เข้ามาในบริเวณอันกำหนดไว้เป็นที่พักคณะนายจ้างเหลือบมาเห็นจึงพากระเดินเข้ามาหาโดยเร็วสีน่างคนเหล่านั้นส่อชัดว่ายินดีและปลอดโปรงใจขึ้นเมื่อเห็นเขากลับเข้ามาสภาพที่ปกติเรียบร้อยดีเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลย คุภาพโปรดภัยยิ้มให้เมื่อคนเหล่านั้นเข้ามารุมร้อมเขาเป็นยังไงบ้างครับคงจะได้ออกกําลังและตืมเต้นกันบ้างเล็กๆน้อยๆแก้งเหงาเซรีลี่ลืมตาโตอะไรนะเล็กๆน้อยๆแก้งเหงาอย่างนั้นหรอโอ้โหมันเป็นเรื่องแก้งเหงาสําหรับพวกคุณนะซี่แต่สําหรับพวกผมน้ำให้สนุกด้วยสักนิดหนึ่งเวียดกองซุ่มโจมตีเรายังไม่เคยมีความรู้สึกตื่นเต้นเท่ากับถูกไอ้โครงช้างนรกนั่นบุกคราวนี้ ถ้าไม่ได้มือไรเฟอนจากลูกน้องของคุณสี่คนช่วยกันไว้บ่านนี้คงจะได้เลขกันไปบ้างแล้วผมกับกียหนะักงุ้ ม, ง, มง่ามเงอะงะขึ้นดีเดียวจอมพลานหัวรอบเบามองหน้าทั้งห้าคนของฝ่ายเจ้าที่รายล้อมตัวเขาในขณะนี้มาหยุดอยู่ที่สองแหม่มสาวสังเกตดูว่าทุกคนจะคลายความสนกตกใจลงไปได้บ้างแล้วนับดูแล้วรืยังครับว่ามันกองอยู่ทั้งหมดในกี่ตัว Luc กี้นัมเบอร์เบลตอบปุรราอยังไม่พูดจะแฉกใส่นักสิบสาตัวพอดีเลยจากการตรวจ ด, ดูบาดแผลส่วนมากที่ล้มเป็นกระสุนไร้หัวขนาดหนักแทบเท่านั้นที่เจาะเข้าออส่วนสําคัญถ้าไม่บริเวณหัวก็ซอขาหน้าส่วนกระสุนของเชนกับคริสเจาะชนเปะบ่าไปตามลำตัวของพวกมันดูเหมือนจะทําให้พวกมันดุร้ายบ้าเรืองยิ่งขึ้นไปอีกสถานาการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อครู่นี้เรียกได้ว่าเป็นการสู้รบไม่ใช่การราสัตว์เลยนิดหนึ่ง ก็ใครว่าล่ะครับพ็เการล่าสัตว์สัตว์มันเล่นล่าเราต่งางหากล่ะเพลินตอบยิ้มยิ้มถอดหมวกออกเอามือสวยผมแล้วโยนหมวกลงไปยังบริเวณกอสมปรักรเพื่อระ บ, บายความอ้าวที่อกอยู่บนศีรษะถ้าเราออแคมป์ใกล้ๆนี้พวกคุณนับได้สิสามตัวทางด้านที่ผมใส่จากออกไปกกองอยู่อีกสองตัวรวมเป็นสิบาตัวพอดีตลอดครึ่งหลังของวันนี้และคืนนี้อีกทั้งคืนหนึ่งพวกเราวางแคมป์กันอยู่ท่ามกลางซากของไอ้ช้างโขงนี่แหละดีเหมือนกัน จะได้อาศัยชาของคุณมันเองเป็นกำแพงกั้นร้อมที่พักเราไว้ด้วยคุณแน่ใจหรือว่าเป็นการเหมาะที่เราจะหยุดพักกันตรงนี้โดยไม่เคลื่อนย้ายไปกี่สักหน่อยหนึ่งผมดูมันไม่ค่อยจะเข้าท่าเลยนะที่มาพักกันอีกหลายชั่วโมงท่ามกลางศพช้างเต็รไปหมแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งปัญหาเรื่องกลิน่นทิศภูจะอุดอัดใจเหลือไปรอบๆอบทั้งเหล่านี้นะ่ะจะยังไม่ส่งกลิ่นหรอกครับจนกว่าจะ36ชั่วโมงให้หลังไปแล้ว ส่วนชายภูมิผมก็รับรองได้ว่าที่นี่เหมาะที่สุดอยากเคลื่อนย้ายไปไหนอีกเลยให้เสียเวลาถ้าจะพิจารณากันถึงด้านความปลอดภัยที่นี่จะดีที่สุดสําหรับเราป่าไผ่คือร้อมรอบยากแก่การที่มันจะบุกจู่โจมเข้ามาอีกได้หรือถ้าเข้ามาเราก็ได้เตรียมอย่างเมื่อคู่นี้เพื่ออาศัยเป็นที่เด็กศพกำบังตัวได้ถ้าหากเราไปพักกันอยู่ตรงที่บริเวณโล่งกว่านี้หากมันจู่โจมเข้ามาอีกเราจะยิงสกัดกั้นไว้ไม่ทันมันเข้าถึงตัวแน่ ประมาณถูกไหมว่าโคงที่ถูกเข้ามามีอยู่สักเท่าไหรเสชิญพูดถามผมกะว่าไม่ต่ำกว่าห้าสิบตัวนะครับพร้อมเป็นวงกลมบีบเข้ามารอบทิศเลยความทึ้ของป่าไผ่ทำให้มันไม่สามารถจะโหมกําลังเข้ามาถึงเราได้พร้อมๆกับทั้งหมดต้องทยอยเข้ามาเป็นจำนวนน้อยบางส่วนเท่านั้นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ด้านนอกหาออกไปพอชุดแรกเราสกัดกั้นไว้ได้แล้วโดยยิงล้มและยิงบาดเจ็บไปมากโซด้านนอกก็ถากกระจายหนีออกไปมีเลือดสาดเกิดไปอีกนับสิบทีเดียว แต่อีกอย่างหนึ่งที่นับว่าดีที่สุดก็คือครั้งแรกนั้นเส้นทางด่านรอบด้านที่พวกมันบ่ายหน้าดีบร้อมเข้ามายังเป็นด่านโล่งเรียบขนทางเดินสะดวกจึงทำให้มันย่องเงียบเกิดเข้ามาหาเราได้โดยที่เราไม่ทันรู้สึกตัวฉเฉลียวคิดไว้ก่อนเลยแต่หลังจากกระทะกันแล้วพวกมันเสด็ดนีออกไปทุกด้านทาให้กิ่งไครล้มหักอีกขวาเป็นรั้วยอยู่โดยรอบทั่วไป ถ้ามันจะยอ่อมเข้ามาอีกภายในคืนนี้ก็แปลว่ามันจะต้องปะทะกับผิงไฟ ท, ที่ล้มควางไว้นั้นแล้วทําให้เกิดเสียงขึ้นและจะเป็นการเตือนให้เรารู้ล่วงหน้าก่อนผมถึงได้บอกว่าที่นี่ เ, เป็นแหล่ที่ดีที่สุดแล้วไม่จำเป็นจะต้องย้ายไปวางแคมป์ที่อืน่นเสียเวลาเซลลี่จูปากเบาๆพรางโครงศีรษะอยู่ไปมาให้ตายเถอะเรานั่งพูดถึงมันกันอยู่จบจบจะไม่หันขัดคำเลยพวกมันก็บุกเข้ามาถึงตัวเลยก็ะทันหานเสียงระเกิน จากการตรวจสอบเมื่อตกีนี้ทุกตัวที่ล้มอยู่รัน้นได้จะเป็นชา้างชะกันขนาดใหญ่ทั้งนั้นเป็นอันว่าเรื่องที่เกลียงสองคนนั่นเล่าให้เราฟังเรื่อทุกอย่างพวกเรากำลังอยู่ในเขตอันตรายมากทีเดียวจากพฤติการลึกลัๆไม่น่าไว้วางใจของไอ้ชา้างสีโขงนี้จะเอาอยัางไงกันต่อไปเดียรลาลพินทุกคนเห็นรอยยิ้มปกติธรรมดาบนใบหน้านั้นอากับกิริยาของมัตสุเทพนำท้าไม่มีสิญใดแผบไป ก, กว่าที่เคยเห็น สงบเยือกเย็นตามบุคลิกเดิมของเขาจนญากที่จะอ่านความสุดใดใดได้ขณะนี้เขากำลังตกเป็นเป้าสายตารนุนร้อมที่มองจับมาเป็นตาเดียวกันก็ไม่มีอะไรน่าเป็ตกกังวลเลยนี่ครับทุกอย่างก็เป็นไปตามเข็มเดิมของเราโดยไม่เปลี่ยนแปลงหมายความว่ายังไงที่ว่าเป็นไปตามเข็มเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะช่วยบอกให้ชัดเจนหน่อยซิคริสถามขึ้นเบาๆ มันเป็นประโยคแรกของหล่อนนับตั้งแต่เขาโผล่กับเข้ามาถึงพานใหญ่ยักษ์ไหลเดินไปที่กระติกน้ำหยิบขึ้นมาเปิดสวะออกเติมเล็กน้อยแล้วป้ายแขนเสื้อเช็ดปากเราก็เดินทางของเราต่อไปตามเข็มเดิมนะสิครับพบหรือพจ น, น่าโดยเดี๋เรียกไม่ได้เมื่อไหร่ก็จะต้องทําทุกอย่างเพื่อป้องกันตัวเองอย่างที่เราทํามาแล้วในวันนี้ผมเชื่อว่าต่อให้มันมีกําลังเท่าไหร่หรือมีความร้ายกาจอาฆาตแค่สัพเพียงไหนพวกมันก็ทนลูกปืนไปไม่ได้หรอกและลงบาดเจ็บต้มตายลงไงทุกครั้ง ที่มันหมายจะเข้ามาเล่น ง, งานเราผมคิดว่ามันคงจะเข็ดไม่กลา้ากจอยแยกับพวกเราอีกทางด้านเราก็ไม่ต้องหัวกังวลที่ต้องตามล่ามันให้เสียเวลาเอาแค่ว่าถ้าเจอหน้าก็ยิงเท่านั้นถ้าไม่เจอก็แล้วไปเราจะเดินหน้าตามเส้นทางของเราไปเรื่อยๆเขาพูดง่ายๆแต่ความหมายมันฟังค่อนข้างจะยากนะคิดปวดออกมากับ พ, พวกทุกคนทางเบสป่าละพินคืนเชื่อหรือว่าพวกเราทั้งหมดจะไม่ถูกโขงของไอ้งาดํานี่คอยเจ้าหาโอกาสตามล่าตามหานอยู่อีก มันเป็นอุปสรรคและอันตรายอย่างนี้ในการเดินทางพวกเราทุกท่านที่มาที่นี่ก็ยอมรับสภาพแล้วไม่ใช่หรือว่าพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับพยานอันตรายทุกชนิดไม่ว่ามันจะเกิดมาในรูปใดก็ตามและพินพูดเรียบเรียบกับทุกคนน้งเสียงของเขาสุภาพอ่อนโยนและเท่าที่ปรากฏแล้ววันนี้มันก็พิสูจน์แล้วว่าทุกท่านสามารถจ ะ, ะเผชิญหน้ากับมันได้อย่างมีสุรรภาพดีที่สุดชนิดที่ผมก็ไม่มีอะไรจะต้องหนักใจเลยกําลังใจดียิงปืนดีคล่องแคล่วรวดเร็วสักระตุนต่อเหตุการณ์ พอที่จะป้องกันตัวเองและพักพวกได้ทั้งสิ้นปัญหาเรื่องทางโขงเกเรไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับเราแม้แต่นิดเดียวมันแท่จะเรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นของการเสี่ยงอันตรายบ้างเท่านั้นเรื่องเล็กน้อยธรรมดาเหลือเกินในเส้นทางที่เราจะบ่ายหน้าไปนี่ตรวจยาได้วิศกวิจารณ์อะไรกันให้มากเกินไปนักเลยตกลงกันง่ายๆตามที่ผมว่านี่ดีกว่าคือพบก็ยิงไม่พบเราก็เดินทางของเราไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าต่อไปนี้เราต้องคอยระวังตัวเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นอย่าประมาท พวมันอาจจะเข็ดไปเลยไม่มายุ่งเกี่ยวกับเราอีกก็ได้หรืออาจจะซุ่มเล่นงานเราที่ไหนเมื่อไหรก็ได้ทั้งสองกรณีซึ่งเราจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปแต่ลงแง่แต่ละครั้งทางด้านผมนั้นพวกคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าปฏิบัติหน้าที่กันเต็มฝีมือที่สุดแล้วเซรีเข้ามาตบไหล่เขาเบาเหตุการณ์ที่เราเผชิญเมื่อสักครู่นี้เป็นความรี้ลับที่ธรรมชาติมากฝ่ายผมยอมรับว่าไม่เชื่อมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นได้และขวัญ และกำลังใจของพวกคุณก็ดีเหลือเกินโดยเฉพาะตัวคุณเองก็พยายามทำให้เห็นว่าเป็นเรื่องสามัญธรรมดาที่สุดทาให้พวกผมมีความอบอุ่นใจเชื่อมั่นขึ้นมามากทีเดียวเอาล่ะเป็นอันว่าเราจะขจัดปัญหาเหล่านี้ไปเสียจากความคิดกังวลโดยปฏิบัติตามคุณเห็นชอบก็แล้วกันหัวหนคณะหาันไปมองทางพวกพานพื้อนมือและลูกหาดที่กำลทํางานกันง่วนอยู่เป็นปกติบอกคนหัวเราะเบาเบาสมอว่าคนของคุณเหล่านั้นทุกคนล้วนมีสมรรถภาพสูง และไว้วางใจได้ทั้งนั้นผมเพิ่งจะเห็นฝีมือของพวกเขาชัดเจนเอาวันนี้เองดูเขาไม่ตื่นเส้นตกใจอะไรเลยนะพอเห็นการผ่านไปแล้วก็ปกติธรรมดาทุกคนพวกผมเะอีกยังขวันหนีดีหัวกันอยู่จกระทั่งเดี๋ยวนี้ผมรู้ว่าจะต้องไปทำอะไรที่ไหนให้แก่สัญญาจ้างครั้งนี้เพียตอบเพราะฉะนั้นคนที่จะร่วมทางไปด้วยผมมีความจาเป็นจะต้องเลือกเฟ้นแล้วทุกคน แต่ละคนเหล่านั้นแม้พวกคุณจะพิจารณาว่าเป็นเพียงแค่ลูกหาก็ตามแต่ก็จัดว่าเป็นพานมือดีในหนองน้ำแห้งทั้งนั้นพวกนี้เคยชินมีรประสบการณ์มามากเกี่ยวกับอันตรายในป่าลึกขอให้พวกคุณวางใจได้ตามปกติแล้วนอกเหนือจากที่อาจจะมีบรรจุสำ ร, รองไว้ในเป้หลังของแต่ละบุคคลพวกคุณมีกระสุนปืนจิดโจกันไว้สักคนละกีนัดครับประโยคหลังก็เจตนาถามไปยังสเตรลลี่คีตและเชิรพตโดยตรง ในขณะที่สุดตัวลงไปลือค้นขอสัมภาระส่วนตัวที่กองรวมกันอยู่กับสัมภาระส่วนรวมทั้งสามคนมองหน้ากันเองอย่างงงงสอบถามกันเบาๆครู่หนึ่งก็หันไปทางเจ้าของคำถามเซรี่ผู้เป็นหัวหน้าบอกว่าพวกเราไม่มีใครพกกระสุนปืนสำรองสิบตัวอยู่หรอกเพราะมันทวงหนักกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าเสื้อแล้วอีกอย่างหนึ่งก็รำคาญเดินมันแกวงกระทบกันก็มีสำรองไว้ในเป้หลังคนละกล่องเท่านั้น ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในหีบหอสำหระส่วนกลางกระสุนมีแต่เฉพาะที่บรรจุอยู่ในตัวปืนเท่านั้นสร้างแต่นาทีนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกคนมีกระสุนสำรองติดตัวไว้อีกคนละ20นัดนอกเหนือไปจากที่เก็บไว้ในเป้หลังทุกขนาดแม้กระทั่งเวลานอนเพราะบางทีเราก็กดเป้หลังออกจากตัวก็ะสุนจะพอตสิ่อยู่ในนั้นด้วยโดยไม่มีโอกาสจะหยิบถวยได้ทัน เพราะที่บรรจุอยู่ในตัวปืนมันไม่พอหรอกครับสําหรับปัญหาที่ว่ากระสุนจะกลิ้งกระทบกันในกระเป๋าเสื้อแลือกระเป๋ากาเกงก็แก้ไขได้โดยวิธีนี้ทางการเขา ก, ก็หยิบยางรัดของยื่นแจกจ่ายไปยังสเสรีคีและเชิญวุฒิคนละเจ็ดสิบเส้นซึ่งทั้งสามคนก็รับมาอย่างฉมมุนเฉินเทศโดยยังไม่อาจจะเข้าใจได้ในทันทีนั้นแบ่งกระสุนออกเป็นชุดเท่าที่จะบรรจุลงในแม็กกาซีนปืนแต่ละชุด รัดด้วยหนังยางรวมกันเป็นชุดๆไว้ไปจะช่วยป้องกันไม่ให้มันกระทบกลิ้งกันได้แยกย้ายใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงอย่าให้ทวงหนักอยู่เฉพาะกระเป๋าข้างใดข้างหนึ่งเวลาฉุกเฉินรีบสวนขึ้นมาก็จะร้วงขึ้นมาใช้งานได้ทันทีหวังว่าเหตุการณ์ในวันนี้คงจะเป็นอุทาหรณ์เตือนพวกคุณได้เป็นอย่างดีแล้วคุณเชิดวุฒิเกือดจะเสียท่าเพราะโม่แต่กระสุนหมดแล้วหามาบรรจุชุดใหม่ไม่ทัน โโเพอรคีกับท่านด็อกเตอร์ก็ต้องวิ่งกันแทบแย่ขณะที่กระสุนหมดจากปืนเหมือนกันทั้งสามคนกำพิตารณ์เปึเป็ปแล้วยิ้มยืดมขึ้นท อ, น, อนึกไปถึงภาพของตนเองในขณะที่ชนมุนนั้นได้ขอบคุณมากที่เตือในเรื่องนี้พวกเรากลายเป็นเด็กสุดหัดใหม่กันหมดแล้วในการเดินทาง ม, มากับคุณครั้งนี้เซเล่พุรรมพำออกมาจากใจจิงและพิมพ์ฉันพิจารตอบน้ำเสียงปกติตามธรรมดากเพราะว่าไม่มีใครรอบรู้หรือชำ น, นาญไปเสียหมทุกอย่ากครับเตือนเฉอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่ไม่เคยชินมาก่อน ผมเองก็กลายเป็นเด็กผัดใหม่ที่โ ง, งเง่าที่สุดในเรื่องระบบระเบิดนิวเคลียร์และกำมันสภาพรังสีหรือสาขาวิชาการที่ผมไม่เคยเรียนรู้อย่าไปคิดอะไรมากเลยครับคิดแต่เพียงว่าเมื่อเรามาด้วยกันเราก็ต้องช่วยกันจนสุดความสามารถและแต่ใครจะถนัดด้านไหนแล้วเขาก็หันไปทางคริและเบลยิ้มให้สําหรับคุณสุภาพสตรีทั้งสองผมต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษที่ระหว่างสลงุมบอลกันอยู่คุณไม่ได้ทอดทิ้งคนเจ็บเลยตรงข้ามกับช่วยดูแลเขาไว้ แจ้งว่าสียดีเยี่ยมและไม่ละชิงหน้าที่ของแพทย์ต้นของคุณทั้งสองคนอาจจะเล็กไปหน่อยก็จริงแต่มันก็ช่วยพวกเราได้ไม่น้อยเหมือนกันต่อไปขอให้เลือกเป้าหมายเฉพาะศีรษะของมันคุณจะคว่ำมันลงได้มากทีเดียวเบลหัวเราออกมาดังๆแล้วหันไปพูดกับคริสว่าฉันฟังไม่ชัดนะว่าเขาเจตนาจะชมหรือตําหนิกันแน่ทั้งสองแง่2มุมอยู่เพราะทั้งชมทั้งตาหนิกันแหละคริสบอกเนือยเหนยขื่นยิ้ม ชมที่เราช่วยดูแลเจ้าจะเอือนไว้ไม่ปล่อยให้มันลุกขึ้นมาแน่นใส้ไหลกลางป่าตอนที่ช้างบกส่วนตำหนิก็ในตำหนิในข้อที่ว่าเราถือปืนสําหรับลากคนแทนจะใ ช, ใ ช, ใ ช, ใช้ปืนลากสัตว์ในการเดินทางครั้งนี้ฉันสังเกตเห็นสายตาหมินหมินเยาะเยา ะ, ยะของเขาตั้งแต่คืนที่เราพักกันอยู่ที่หนอง น, น้ําแห้งก่อนออกเดินทางแล้วหลังเวลาหารของคืนนั้นพวกเราจัดเตรียมของใช้เขามายืนเท้าเอลมอหนดอาวุธประจำมือของเราแล้วก็ยิย้มเยาะ ผมคิดอยู่ในใจว่าไอ้ปืนพันนี้น่ะหรือจะออกเดินป่าตามหลังเขาแล้วมันก็จริงของเขาเสียด้วยเมื่อเราพบกับเหตุการณ์ในวันนี้เบลเสริมบนอ่อยอ่อยนินคว้ากระสุนลูกโดดของปืนลูก้องขึ้นมาสามสี่กล่องพรบอมติดมือขึ้นมาพร้อมกับลูกขึ้นยืนคุณเคยบอกผมว่าอย่าพยายามมองพวกคุณในแง่ร้ายคราวนี้ผมก็บอกบ้างว่าโปรดอย่า ม, มองผมในแง่ร้ายเช่นกัน ผมไม่ได้ยิ้มยอ่ออะไรพวกคุณหรอกเพียงแต่รู้สึกอึดอัดใจนิดหน่อยที่พวกคุณเลือกใช้ปืนประเภทที่เป็นลบ ก, กับคนมากกว่าจะลบ ก, กับสัตว่าทั้งๆ ท, ที่เส้นทางนี้คุณจะไม่มีโอกาสลบ ก, กับคนเลยเอาละครับอย่าเน็ดแนมอะไรผมเลยสําหรับคุณทั้งสองคนโปรดบรรจุกระสุน AR15 ของคุณให้เต็มและกซ์ซีนตามเดิมและอีกสองกระ บ, บอกของดรเซรี่กับของชทรนเลคิทที่เก็บเอาไว้ในหอสัมภาระส่วนกลางอย่างไร้ประโยชน์ ข้าวัวเจ้าออกมาเตรียมพร้อมไว้ได้แล้วปืนถักงกระบอกของเราไม่ว่าชนิดใดขนาดใดในภาวะเช่นนี้รวนแรงแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นพักค อ, อยกันตามสบายได้แล้วครับผมจะเอากระสุนลูกซองไปแจกจ่ายกับพวกลู ก, กหาพวกนั้นกล่าวจบประพินก็หอบกระสุนเดินแยกขาไปอย่างง่ายๆทุกคนในกลุ่มมองตามหลังเข้าไปก็เห็นเขาวตะกอนเรียกกันเข้ามาส่งกระสุนเหล่านั้นให้พร้อมกับสั่งการว่าเอาลูกโดดไปแจกประจําตัวพวกนั้นไว้คนละห้านัด ตอนนี้สั่งให้ถอดลูกปลายออกจากปืนให้หมดบรรจุลูกโดดไวทุกกระบอกจันรับเอาวุธปืนพวกนั้นไปแล้วร้องเรียกพวกลูกหาปลกเปคนเหล่านั้นกระจากงานที่ทำกันอยู่วิ่งเข้ามารวมกลุ่มมีการบอกกล่าวอะไรกันอยู่ครู่พวกนั้นก็ใช้โลโผร้องเข้ามารุมรับแจกลูกกระสุนกันชุลมุนอย่างดีอกดีใจทั้งฝ่ายด้านของนายจ้างอเมริกันดรอเร์เซอรรี่สั่งให้คิดเลยหยีบสัมภาระงัดเอา AR15 ทั้งสองกระบอกออกมาทันที ตามคำแนะนําของรัฐผินเชิดวุจินมองดูอยู่พร้อมกับซ่อนยิ้มนึกอยู่ในใจว่านายจุศต์อเมริกันพวกนี้จะเผยแจ้งเลสในออกมาแล้วเช่นใดก็ตามก็ไม่เปวันที่จะเนื้อไปกว่ารัฐผินภายวันไปได้เพราะเหตุการณ์มันบีบบังคับชีวิตไม่มีทางกริดิกภาพหรุดไทยอดีตนายตำรวจตระเวนชายแดนผู้นั้นสามารถทําให้ฝ่ายในเจ้าอเมริกันยัดเอวุธรายประจําตัว ที่เอาไปเก็บเงียบไว้ออกมาใช้งานจนได้และแน่นอนที่สุดในข้อที่ว่ามันจะต้องตกอยู่ในมือของฝ่ายผ่านขึ้นเมืองหรือลู่หามนั่นเองและพวกนี้ถึงอย่างไรก็คงจะไม่ยอมเป็นภาระแบบปืนเป็นคนละสองกระบอกเป็นแน่ๆแล้วก็จริงอย่างที่ว่าเพราะดรเซรีหันมาถามเชิงหาเรืกับพวกว่าไอ้สองกระบอกนี่จะเอาอยัางไงใครจะถือคพิสกับเบลม า, าไปอีกคนละกระบอกเป็นยังไงพวกเราแบกไร้ขั้นขนาดหนักกันอยู่แล้วนี่เชิดวิทแกลกออกความเห็นหน้าตาเฉย สองแม่มสาวร้องออกมาพร้อมกันว่าบ้าเรื่องอะไรจะให้มาเป็นภาระของเราสองคนแค่กระบอกเดียวนี่ก็จะคิ้วไม่ไหวอยู่แล้วเวลาเดินเหนื่อยเหนื่อยอยากจะโยนทิ้งเสียล่ําไปคุณจะคิดได้แหละโต ๆ, ๆด้วยกันทั้งนั้นใครพูดติดไหลไว้ด้วยสิโนคิดทำหน้ายุ่ยี่ปัดมือใครจะถือก็ถือเถอะฉันไม่รับประทานหรอกเกะกะไปหาฉันก็เหมือนกันว่าแค่จุดสามเจ็ดห้านี่ไหลายก็แค่จะุจลแล้วเชื่อตัวปฏิเสธเช่นกัน ภายหลังจากการหาเรืโต้เขียงกันอยู่สูหนึ่งมันก็เข้ารอกตามที่เชิดปุชคิดไว้ไม่มีผิดเมื่อคิดให้ความเห็นว่าควรจะเป็นหน้าที่ของเราพินดีกว่าสุดแต่ว่าเขาจะให้ฟานของเขาหรือพวกลูกหาคนใดคนหนึ่งช่วยกันพายไปสรุปก็คือถ้าหากจาเป็นพวกเราคนใดคนหนึ่งก็สามารถจะหยิบสวนขึ้นมาใช้งานได้ในทันทีไม่ต้องไปมัวแกะหอ่อหรือค้นอยู่ให้เสียเวลาเชิญปุชนิ่งเฉยเหมือนจะไม่มีความเห็นอะไรทั้งสิน้นส่วนเวลกับ คริสก็ไม่เสียอาการต่ยแยง้งเซรี่นั้นเอียงคอคิดอยู่สู่หนึ่งหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียดรอบครอบลุกซึ้งกว่าทุกคนของฝ่ายตนแต่ถึงอย่างไรก็ต้องจำนวนต่อเหตุการณ์เช่นคิดว่าอย่างนี้ดีไหมคือกรเียงสองคนนั่นมีปืนก็เหมือนไม่มีเพราะมันเป็นปืนแก๊ปล้าสมัยไรอนุภาพเต็มทน และในขณะนี้เขาก็ร่วมสถานการณ์อยู่กับพวกเราทั้งหมดด้วยประเดี๋ยวเราจะเรียกระพินมาปรึกษาให้เขาเอาปืนลูกซองของพวกลูกห่ามอบระจับมือแก่กรเหี่ทั้งสองคนไว้ส่วนพวกลูกห่าเมื่อขาดปืนไปสองกระบอกว่าให้เขาพิจารณาสับเปลี่ยนถ่ายเทกันเองว่าใครควรจะถือปืนอะไรโดยมอบ AR15 ทั้งสองกระบอกนี้ให้ไประพินอาจจะเปลีป่ยนไรเฟิลจากพานสองคนให้ไปอยู่กับพวกลูกห่าแทนและให้ถือ AR สองกระบอกนี้ก็ได้ตามแต่เขาจะเห็นเหมาะสม เพื่อทุกคนจะได้มีปืนถือครอบมือโดยที่ไม่จําเป็นต้องเป็นภาระกับใครคือต้องแบกไปถึงสองกระบอกพอดีอยู่หรอคะอาจารย์แต่ปัญหามันมีอยู่ที่ว่ากระเลียงสองคนจะอยู่กับเราก็แต่เฉพาะที่เราพากันที่ที่เท่านั้นเพื่อดูแลอาการคนของเขาให้ปลอดภัยพอวางใจได้เท่านั้นเองหลังจากนั้นแล้วทั้งสองคนรวมทั้งเพื่อที่เจ็บก็จะแยกทางไปเขาคงจะไม่ไปกับเราด้วยไม่ใช่หรือคะเชิดขยิขึ้นเบาๆเชิดบุดพยายามจับจีน่า แทรกอาการแต่ก็ไม่อาจจะอ่านได้แน่ชัดว่าเรามีความคิดเห็นเช่นไรในขณะ น, นี้ถ้างั้นประเดี๋ยวเราจะหาเดินกระพิน์ดูจริงนนเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่มันจริงของเขาในข้อที่ว่าระยะนี้เป็นระยะที่พวกเราทุกคนอยู่ในเกจอันตรายเพื้นทุกกระบอ ก, กควรที่จะใช้งานให้เต็มที่ไม่ใช่เอาไปเก็บไว้ในที่พอและไอซอกรบอกนี่ก็มีประโยชน์มากกว่าพือนลูกซองของพวกลูกหางเสืออีกกระพินไม่ได้เข้ามารวมกลุ่มอีกเลยทุกคนแฝงในจ้าสังเกต่ยวกัเขาเดินไปเดินมาอยู่ระหว่าง พวกลูกหาบและผานเพื่อนเมืองสั่งโน้มสั่งนี้อยู่ตลอดเวลาเพื่อจัดสรรบริเวณอันเป็นที่พักแรมให้เรียบร้อยรับคนที่สุดและคนเหล่านั้นทุกคนก็ดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่นิ่งต่างเคลื่อนไหวทํางานกันตัวเป็นเกลียวแม้แต่เกรเหลี่ยงอูฐะและกระโตซึ่งบัดนี้ก็คอยมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกลูกหาบโดยไม่อยู่เฉยทั้ง17คนกระจิดกระจายกันกทํางานอยู่รอบบริเวณที่พักเป็นกลุ่ม และตัวหัวหน้าของคนเหล่านั้นเองคือจอมกุ้เทศก็เกินอยู่ในกลุ่มคนของเขาบางขณะมองไม่เห็นว่าเขาอยู่ที่ไหนจนกระทั่งเวลาหารเที่ยงเจ้าพนเด็กหนุ่มสองคนเกิดอัเสยก็นำเอาข้าวที่หุงเสร็จร่อจำนวนหนึ่งบรรจุใส่ถุงพลาสิขนาดใหญ่และเนื้อสันของกระทิงที่ย่างไว้สมพื้นหอมชวิทยเดินยิ้มเข้ามาให้กลุ่มนายจ้างพร้อมกับรายงานว่านายรพินให้เอามาให้พวกนายห้าทุกคนสั่งให้มาบอกด้วยว่าถ้าไมา่ดังเกลื่อนอาหารป่า พอทดลองกินอย่างพวกเราดูบ้างจะได้เก็บอาหารกระป๋องไว้ในเวลาขาดแคนเมื่อเรี้นี่ขับใจเบเราอออกมาอย่างตื่นเต้นขณะที่ชิงโง่หน้าเข้าไปคาสมุกสุดคิดสูตรกลิ่นเนื้อย่างอันหอมชวนก้อนใหญ่อเมริกันกลุ่มนั้นแจ้งอาการพอใจต่ออาหารมื้อพิเศษซึ่งปิดแขลไปจากอาหารกระป๋องเรเลชั่นที่ใช้รับทา้กันอยู่ทุกมือ้อนับตั้งแต่ออกเดินทางมาจะรับไว้ด้วยความยินดี นี่นะักว่าเป็นอาหารแบบประทังชีพมื้อแรกที่เราจะกินอย่างพวกผานทุกคนเจลลีก่กล่าวคนของเราเบาๆเชิดฟุดยิ้มจ้องดึงมีที่แผลติบเอวออกมาทันทีส่วนชีบจะโดดเข้าไปที่สูงเบียงแห้งคว้าซ้อนกับพริกไทยผลขึ้นมาครึสมองหน้าผานเด็กหมุนทั้งสองคนและถามว่าว่าแต่เจ้านายของเธออยู่ไหนทําไมก็ไม่มากินอาหารกับเราด้วยเสยพัวเราะนายให้บอกด้วยว่าเธอให้พวกนายห้าคนกินอาหารได้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนาย เมื่อกลงวันนี้นายจะกินกับพวกลูกหาที่นั่นแม่มกับนายห้าพอจะกินอาหารป่าอย่างนี้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ได้สิทำไมจะไม่ได้ถ้ากินไม่ได้พวกฉันก็มากับพวกเธอไม่ได้เหมือนกันความจริงเราเบื่ออาหารกระป๋องนั่นเต็มทีแล้วถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่อยากกินอาหารกระป๋องหรอกคิดตอบยิ้ม ดีแหม่มถ้าพวกของแหม่มกินได้อย่างพวกเราก็ไปกันได้อย่างสบายถึงไหนถึงกันเลยอาหารมื้อนี้เนี่ยนับว่าดีที่สุดแล้วนะักมีทั้งข้าวมีทั้งเนื้อต่อไปถ้าหากหาอะไรไม่ได้จําเป็นก็จริงๆก็ต้องหาผักหาญ้าหาหัวหาเผือกหามันหัวกลอยกินกันไปสามเรื่องถ้ากินไม่ยากสิอย่างเดียวในป่านี้นะ่ะไม่ต้องกลัวอดหรอกรับรองได้เกิดบอกไม่คนหนึ่งมองหน้ากลุ่มนายจ้างทุกคนแล้วก็มาหยุดอยู่ที่แหม่มคลิปิ้มยิงคันเอ่ยต่อมาเบาๆ ว, าวา่า แมมคริสช่วยท้องพวกเราไว้ได้มากที่ช่วยล้มกระทิงตัวนี้ทิ้งไว้ให้แมมคริสควรจะกินเนื้อมันให้มากๆนายสั่งให้ย่างสันกระทิงอย่างดีเอามาให้ทั้งแท่งเลยสันในด้วยนะไม่ใช่สันนอกเนื้อเปื่อยนุ่มหอมกว่าหวานกว่าอย่าบอกใครสิเดียวฉันไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่ามันเพื่อจะเป็นอาหารหรอกนะแต่แซกกระทิงตัวนั้นนะ่ะมันจะเล่นงานฉันบุญําแล้วก็คานใหญ่แล้วเขาก็ไม่ยอมยิงเองเสียด้วยสิฉันก็เลยต้องยิงดีเหมือนกันเปล่ยบรรยากาศการกินเสียบ้าง แล้วพานหนุ่มทั้งสองก็ผ่าไปปล่อยกลุ่มนายจ้างไว้ตามลําพังประมาณเสือพีชนาฬิกาลังอาหารกลางวันอากาศในตรงไผ่อ้าระอุผิดปกติแสงตะวันที่เคยส่องรอดทิ้งใบไม้ลงมาเป็นจุดสว่างอยู่ทั่วไปนั้นบัดนี้ขาดหายไปหมดสิ้นแล้วกลายเป็นมืดลัวสลัวเสียงฟ้าร้องอยู่ตลอดเวลาแจงทีทราบว่าฝนอาจจะเทลงมาเมื่อใดก็ได้และพิงกําลังจะล้มตัวลงนอนเพื่อแอบพักนอนสักนิ่หนึ่ง ถายใต้ซุ้มไม้ใบบังรับตา ม, มุมหนึ่งของบริเวณที่พักจําต้องลุกขึ้นสั่งการให้คนของเขาช่วยกันจัดเตรียมถึงข้าวพลาสติกแขนหลังคาปังฝล่นตามตําแหน่งที่พักอาศัยนอนต่างๆรวมทั้งกองสัมภาระคนเหล่านั้นมีงานที่จะต้องเร่งมือทํากันอีกแข่งกับเวลาขนาดนั้นเองคนเอกเชิดพุ้ดก็เดินตรงเข้ามาหาเขารู้สึกว่าบุตชายของท่านนายพลจะเดินค้นหาเขาไปทั่วๆแล้วและเพื่อจะมาเริ่บเห็น พอเข้ามาถึงตัวก็ส่งยิ้มให้อย่างรักใคร่เสียใจบอกบ๊อบบ๊บว่าละผิดพวกนั้นให้มาผมมาเชิญคุณไปพบหน่อยมิเดอรจะหารือด้วยทานใหญ่ไม่ปริบากคำใดนอากิ้มตอบแล้วจับแขนนายทหารหนุ่มทำท่าจะชนเดินไปแต่เชิดวดยังหยุดยืนอยู่ที่ กาวต่อมาด้วยเสียงแผ่วเบาเช่นเดิมว่าแผนการของคุณได้ผลพวกนั้นยอมงัดเอา m สิบองกระบอกนั่นออกมาจากีดคอแล้วและมีทีท่าว่าจะมอบให้แก่พวกของคุณถือไว้ด้วยเพราะพวกเขาไม่มีปัญญาจะถือปืนคนละสองกระ บ, บอกในเวลาเดียวกันสุภาพบุรุษไทยอบบอผมไม่ได้มีแผนการอะไรหรอกทับแต่เหตุการณ์จําเป็นมันเกิดขึ้นอย่างที่เห็นเหตุการอยู่พวกเขามีปืนดีๆอยู่อีกทั้งสองกระ บ, บอกจะเอาไปซุกซ่อบไว้ทำไมตอนนี้มันเป็นภาวะขับขันแล้วผมเพียงแต่แนะนําไปตามความจริงเท่านั้น ไม่ได้ต้องการยึดปืนร้ายแรงสองกระบอกนั้นของเขาให้มาอยู่ในมือของฝ่ายพวกผมเลยคุณเชิญวุฒิก็รู้อยู่แล้วว่าในป่าผมไม่เคยแคร์กับแผนการเล่ห์เหลี่ยมอะไรของพวกเขาทั้งสิ้นถ้าหากว่าเขาจะมีอยู่และตอนนี้ผมก็เชื่อว่าพวกเขาไม่มีปัญญายที่คิดวางแผนอะไรแล้วนอกจากความปลอดภัยของตัวเองเท่านั้นผมก็นึกอย่างนั้นตั้งแต่แรกแล้วต่อให้เป็นเจ้าแผนการที่มีเล่ห์เหลี่ยมจากขนาดไหนลงได้มาเดินป่าตามหลังคุณอยูแ่แบบนี้ก็ไม่มีน้ำยาหรอก เขาทุกคนกลายเป็นเด็กที่จะต้องพึ่งคุณกันทั้งหมดนั่นแหละจะมีปัญญาอะไรให้ตัวหัวหน้าหน่วยสูงสุดของ cia ด้วยซ้ําทีแรกก็ดูคลึกคักไว้เหลี่ยมไวค้ครูคุมเชิงอมไสกันดีนะักแค่สามสีวันเท่านั้นก็ซึมซาดตีว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตฝ่าอยู่ในกํามือของคุณชนิดจดิกาเดียไม่ได้เลยต่อไปนี้เขาจะเปลี่ยนท่าทีเป็นมิตรสนิทและแสดงความจริงใจเปิดเผยกับคุณ เ, เ, เพิ่มขึ้นทุกขณะแต่ก็อย่าพึ่งไว้ใจเสนิทนักนะค่อยดูค่อยไปก็แล้วกัน และพิณหัวเราะเอื่อยๆอยู่ในลําคอเช่นนั้นลักษณะของเขาไม่สนใจอะไรมากนักผมมีความเชื่อมั่นว่าใครก็ตามถ้ามีโอกาสมาร่วมกินร่วมนอนกับผมในป่าและไปจนกับเหตุการณ์ร่วมกันกับผมเขาเหล่านั้นจะกลายเป็นมิของผมจะช่วชีวิตข้ะตัวผมเองมีความจริงใจซื่อสัตย์ต่อเด็กเป็นที่ตั้งรวมทังการเสียสละที่จะมอบให้แก่บุคคลในความดูแลลรับผิดชอบทุกคนโดยไม่คํานึงถึงชีวิตของตัวเองธรรมชาติที่ใส่ของผมมันเป็นเช่นนี้ว่าแต่พอเปลี่ยนเรื่องถาม เราเสียเวลาในการเดินทางสําหรับวันนี้ไปเปลกาเาทั้งวันคุณผู้สังเกตดูที่ที่ของพวกเขาหรือเปล่าว่าเขามีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างผมก็สังเกตอยู่เหมือนกันเห็นพวกเขาทุกคนยอมรับสภาพและมีความเต็มใจดีอยู่นี่ครับไม่มีใครแสีงท่ารังเกียจหรือบ่นอะไรเลยเมื่อกี้นี้คิดติดต่อไปจูปกงกำชานี้ลอยแล้วเซลีเป็นคนรายงานข่าวการเคลื่อนไหวด้วยตนเองผมพยายามจับฟังอยู่เซลีไม่ได้รายงานอะไรละเอียดมากนัก น, นอกจากบอกว่ามีความจําเป็น ที่จะต้องชางักการเดินทางชั่วคราวเป็นเวลา24ชั่วโมงเขาพูดติดต่อกันสั้นๆระยะเวลาไม่เกิน4หีหนาทีเท่านั้นบนนุจะพูดลงมาว่ายังไงผมไม่ได้ยินเพราะเขาใช้เ e อียร์โฟนครอบอูไว้เหมือนทุกครั้งรู้สึกว่าทั้ง4คนจะมีความยินดีที่สามารถทําให้คุณพอใจพวกเขาได้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตของกรยงเฉินไว้พวกนั้นกําลังมีโครงการที่สร้างความสนิทสนิทเชื้อและความเป็นกันเองกับคุณให้มากที่สุดสิ่งที่น่ากังวลสําหรับเราก็มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือไอ้วิทยุเวน เรื่องนั้นตราบใที่เขายังสามารถติดต่อศูนย์บังคับการของพวกเขาได้เราก็ยังไม่อาจจะวางใจอะไรได้สนิดหรือนั่นเองเพราะมันหมายถึงว่าคำบงการหรือการส่งกำลังบำรุงจากหน่วยเหนือจะมาถึงได้ทุกขะนาดอย่าห่วงในเรื่องนั้นเลยผมบอกคุณหลายครั้งหลายผลแล้วว่าเอวิทยุเครื่องนั้นหนะต่อให้วิเศษขนาดไหน ม, มันก็ใช้งานติดต่อไปได้ไม่นา น, นหรอก ผมไม่ได้มีแผนการที่จะทำลายล้างเครื่องมือสื่อสารของเขาแต่อาร์ถันร้ายกาจของป่า น, นี่แหละมันจะเป็นตัวทำล้ายเองไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งและเมื่อ น, นั้นเราทุกคนที่รวมกันมานี่ก็จะกลายเป็นชุดของบุคคลที่หายสาบสูญชนิดที่โลกภายนอกจะติดตามไม่ได้อีกเลยเว้นแต่เราจะกลับออกไปสู่โลกภายนอกเองถ้าหากรวงยังไม่ถึงภาดการติดต่อไปชุเมื่อคู่นี้เป็นยังไงบ้างครับสะดวกสบายราบเรียบดีหรือครับเฮนคิดบอกว่ามีคลื่นรบกวนหนักผิดไปกว่าทุกวัน เอออีกอย่างหนึ่งนะที่คุณควรจะรู้ไว้ด้วยพวกนี้มีกล้องถ่ายรูปพิเศษจิตตัวมาด้วยอย่างน้อยก็ไม่ต่ํากว่าสองกล้องกล้องหนึ่งที่เห็นแน่ๆอยู่กับเลิปลักษณะเป็นกล้องแบบถ่ายแล้วอัดภาพออกมาได้เองอัตโนมัติส่วนอีกกล้องหนึ่งนะ่าเป็นกล้องตัลกรรมใช้ไมโครโฟริมรู้สึกว่าจะอยู่ที่เซรีและผมเชื่อว่าตัวคุณเองทานลูกน้องทั้งสี่คนรวมทั้งพวกลูกหาตลอดจนเหตุการ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางมา เขาจะสูบบันทึกไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วโดยที่พวกคุณเองไม่มีโอกาสได้รู้ตัวเลยมันซ่อนอยู่ในรูปลักษณะของกล้องสองทางไกลแบบจิ๋วแบบตาเดียวกันที่เน็บอยู่ตรงกระเป๋าเสื้อของเขาซึ่งคุณอาจจะเห็นเขาออกมาส่องดูอะไรเล่นไวว่งนั่นแหละผมยังไม่แน่ใจว่าคีตกับเบลจะมีกล้องถ่ายรูปชนิดนี้ด้วยหรือเปล่านัินหัวเราคือคือนลําคอขอบคุณครับที่ทราบอะไรก็สงขายผมรู้ทุกร ะ, ระยะแต่เชื่อเถอะ ถ้าถึงข่าวแล้วมันจะไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาอย่างที่พวกเขาวางาไว้หรอกโชคดีมากที่ฝ่ายกลองข่าวกลาโหมส่งพิงเชิดวุฒให้ประกบตัวพวกเขามาด้วยในครั้งนี้ลําพังผมเองคงจะไม่สามารถเข้าใกล้ชิดสืบข่าวอะไรได้จากพวกเขาหรอกไปครับจะยืนคุยกับผมในในลักษณะนี้นานผิดปกตินักทั้งสองออกเดินเคียงคู่กันไปใบหน้าไปยังกลุ่มของนายจ้างอเมริกันซึ่งขณะ น, นี้พากันบงอยู่ที่ล่างของกเกลียงผู้บาดเจ็บอีกครั้งเชิดวุฒิรีบก็ ก็คิดย้ำ ม, มาว่าถ้าพวกนั้นมอบ M.16 เข้าเสาก็บอกไว้ให้จับควายคุณยับไม่เส็จหรือใบเพียงนะรีบรับเอาไว้เลยมันเป็นโอกาสแล้วก็คิดไม่ตอบเพียงแต่ยิ้มนิดนิดขณะที่เดินผ่านตุ่มลูกหาบที่กําลังเล่นถึงข้าพลาสติกเตรียมกันผลอยู่เห็นอุทากรัตโตกาลังกริดร้อช่วยปักเสาต้นไผ่อยู่เขาก็รองเรียกเบาๆและพยักหน้าให้เดินเข้ามาในกลุ่มของนายเจ้าเหล่านั้นด้วยเมื่อเข้ามาถึงเห็นหมอเบลกําลังวัดความดันโลหิตในขณะที่ คริสะารวนอยู่กับหีบเครื่องเวชภัณฑ์ส่วนหัวหน้าคณะและคริสนั่งสุบิกาดูอยู่ใกล้ๆสองแมมสาวยังไม่ได้หันมาสนใจกับการเข้ามาของดะพินเพราะยังทํางานง่วนอยู่และเซรีคริสโบกมือทักมีอะไรฉุกเฉินเกี่ยวกับคนเจ็บหรือครับก็าถามในภาพมีแวลฟลินใจเสือคนอยู่มากอาการไข้แทรกซ้อนนิดหน่อยแต่ไม่เป็นอะไรหรอกเดบลกับคริสกําลังช่วยกันอยู่แล้วเราพยายามดูแลเขาอย่างเต็มที่ยิ่งกว่าคนเจ็บในห้อง ICU ของโรงพยาบาลทั่วไปเสียอีก พ่อเพอกำลังกระซายสียอาการหวาดกลัวช้างอย่างคนขวัญเสียประเดี๋ยก็คงจะสงบลงนั่งลงศิลสกินมีเรื่องอะไรจะปรึกษาหารือหน่อยดเตอร์เซเรียรี่บุ้ยปากไปยังบนคื้นด้านหน้าใกล้ใกล้ศรีสินกับเชิญกุศลเกินกายลงนั่งเกระเหี่ยทั้งสองถูกเรียกให้เดินตามเข้ามาด้วยยิงแก้เก๊กลางกงชีเนื้อมองดูอาการพูดเพ้อรำพึงแต่ตาหลับของเพื่อนถูกศรินกระดิกนิ้วเป็นสัญญาณให้นั่งลงข้า ง, างด้วยยิ้มแงนหน้าขึ้นไปบนเพดานอันปกคลุมไปด้วยกิงไข ซึ่งวันนี้ฟ้าคนองอยู่ปันระยะและผลบ่าวาว่าผลทําท่าไม่ดีแทะถ้าจะเทลงมาแล้วก็ยุ่งแน่ๆเลยไม่เป็นไรหรอกครับผมเตรียมรับสถานการณ์ไว้แล้วที่ภาคของเราเป็นบริเวณดอยสูงมีน้าห้วยลึกอยู่ทางด้านเหนือไม่ห่างออกไปนักพออาศัยเป็นที่ระบายน้ําได้ถึงยังไงที่นี่น้ําก็ไม่ท่วมต่อให้ตกหนักแค่ไหนอาจจะถูกคักบ้างเล็กน้อยเท่านั้นและพินแก้ความกังวลของคณะในจา้างด้วยคํำรับรองแล้วมองทางหัวหน้าคณะ มีอะไรเ ห, หรอครับอเมริกันอเวอโสที่สุดในคณะนิ่งเงียบไปครู่ตาจับนิ่งไปยังลูกน้องสาวสองคนที่กําลังยุ่งอยู่กับคนเจ็บจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยก็พยักหน้าเข้ามาร้องวงชรุ่งนี้ก่อนเที่ยงคนเจ็บจะพ้นเขีดอันตรายอย่างนั้นไม่ใช่หรือเบลก็ถามไปอิสเบลได้ยิงกันทั่วแม่ผมแดงคู่อยู่ในฐานะแพทย์ประจำคณะก้มศรีรษะลงนิดหนึ่งค่ะอาจารย์น้ําเกลือก็ไม่จําเป็นจะต้องให้อีกแล้วหากเขาสามารถกินอาหารเหลวได้ ถ้าจะพิจารณาส่วนการบาดเจ็บจากแผลไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนักแต่คนเจ็บแจกออกมาในด้านภสสาษาเสียเกี่ยวกับความหวาดตัวขีบสุดเข้าใจว่ามาได้จากอ้กช้างปีศาจโขงนั้นยิ่งกว่ากระทิงที่ทำร้ายเขบาดเจ็บได้อีกเพราะน่าจะเห็นใจอยู่หรอกทั้งๆที่นอนเจ็บอยู่อย่างนี้ไอ้ช้างเวงโขงนั้นก็ยังเข้ามาโจมตีซ้ำอีกขานาดคนดีๆก็ยังแทบช็อกคิดไยขึ้นทางเบ้ปากเราจะเคลื่อนย้ายจากที่นี่เมื่อไหร่คราวนี้หัวหน้าคณะถามมิน ก็ภายหลังอาหารเที่ยงพวกนี้เป็นยังไงครับแล้วคนเจ็บกับเพื่อนของเขาอีกสองคนจะเอายังไงตามความตั้งใจเดิมของพวกเขาจะลงไปยังหมู่บ้านซับอนไม่ใช่หรือผมว่าถ้าเขาแยกจากพวกเราในขนาดนี้มันจะยังยังไงอยู่นะระยะทางจากที่นี่ไปยังซับบอนมันไกลกว่าที่จะย้อนกลับไปยังเคียนทองเสียอีกไม่ใช่หรือคุณลองถามก็ดูให้แน่ครับที่ว่าเขาจตัดสินใจยังไงจินลูกทางคิดมองไปยังคนเจ็บแล้วเหลือบไปยังทีหน้าเสื้อของสองกระเลี่ยงที่นั่งอยู่ข้าง รุนหนึ่งก็ส่งภาษาอะไรแต่ภาคใหญ่ขอนที่จะหันมาทำล็อตเตอร์สเตอรี่สองคนนี้บอกว่าเขาเปลี่ยนใจแล้วครับเพราะมันเสี่ยงมากเกินไปที่จะแยกจากเราบ่ายหน้าลงไปยังซัพบอลในขณะที่เพื่อนซึ่งกําลังเส็บตัวอยู่ในขณะนี้เป็นตุ้มทงอยู่ด้วยทั้งคนพวกเขาคุยกับงานดากับโคลงของมันจนขวัญหนีดีต่อไปหมดแล้วอยาจะขอติดตามพวกเราย้อนกลับไปหาพรกคพวของเขาที่สะเก็ดทองมากกว่าโดยอุทากกับปโตจะทําแทครามสะเอิญไปเอง นั่นเปความคิดที่ถูกต้องดีที่สุดแล้วผมเองก็อยากจะแนะนําเขาอย่างนั้นเพียงแต่อยากจะทราบความตั้งใจของ เ, เองเสียก่อนเท่านั้นเขาทั้งสามคนไม่มีหลักประกันอะไรเลยหากแยกกับพวกเราไม่ว่าจะโดยยังพักสุกที่ต่อไปหรือจะบายหน้าลงไปยังสับเบิร์นก็ตามจุดประสงค์เดิมทีของเขาก็คือจะลงไปตามตัวคุณนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ได้พบและบอกขา่าวสัุ้ๆแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเขาย้อนกลับไปยังสะเก็ดทองก็แปลว่าคนเจ็บยังมีโอกาสอยู่ในความดูแลของแพทย์ที่ระยะเวลาออกไปอีกหน่อย พราเรา ก, กำลังจะไปที่นั่นอยู่แล้วคุณแนะนำก็คือว่าให้กลับไปตะเคียนทองกับพวกเราดีกว่าหลังจากนั้นแล้วจะเอาอยัางไงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งชายหนุ่งนิ่งไปอีกมองหน้านายจ้างอเมริกันเหมือนจะอ่านความรู้สึกอย่างจริงใจคิดดูเหมือนจะอ่านใจเขาออกนับเป็นนุนใหม่คนหนึ่งเราทุกคนหาหรือกันในเรื่องนี้แล้วและมีความเห็นตรงกันหมดเราช่วยชีวิตพวกเขามาแล้วอย่าปล่อยให้เขาไปตายทอดดวนแยกจากเราไปก่อนเลยเราไม่ลังเกียจที่จะให้เขาอาศัยควรของเราไปด้วยจนถึงหมู่บ้านเดิมของเขา แล้ว เ, เสลียนเปลี่ยนสายตาไปยังหมอเบลกับเซสผู้นั่งเคี่ยวหองฝรั่งกดเครื่องฟังเงียบๆอยู่พอสบตาเบลก็บอกมาหน้าตาเฉยแต่แวลตามีรอยยิ้มล้อเลียนบอกเสียก่อนนะว่าฉันไม่มีเวลาที่จะรักษาพยาบาลเขาเกินกว่า24ชั่วโมงหรอกอย่ามามองด้วยสายตาสงสัยอย่างนั้นหน่อยเลยเจ้าพกเทศยิ้มให้นิดหนึ่งกศจรจะ ล, ลงอย่างสุภาพไม่เป็นไรหรอกรับหมอเท่าที่แล้วมาก็เป็นความโควรดนาอย่างยิ่งแล้ว ผมแน่ใจว่าเฉลิมปลอดภัยแน่นอนภายหลัง24ชั่วโมงไปแล้วเพราะโดยธรรมชาติแล้วพวกนี้ก็มีความทรรศอดคนเหนือกว่าคนในเมืองมากนักรับรองว่าเขาจะไม่เป็นภาระให้พวกเรามากเกินไปเป็นอันว่าทุกท่านต้องการให้ผมอนุญาตให้เขาทั้งสาคนเดินทางไปพร้อมกับเราเพื่อกลับไปยังสะเียดทองนะครับถูกต้องบอกเขาถือว่าเราต้องการให้เขาไปที่นั่นด้วยอ้อเกือบลืมไปจะลืมสอบถามเขาด้วยว่าพอจะรู้หรือว่าเห็นข่าวข่าวเครื่องบินตกบ้างไหม หัวหน้คณะวอกเข้าหาเรื่องสำคัญทันทีและพิณพูดเบากับสองเกลียงในขณะที่ทุกคนพยายามเงี่ยหูฟังทาง ท, างที่สังมารู้เรื่อง แ, แต่มองเป็นตาเดียวกันและรอการถ่ายทอดอยู่เพื่อไม่นานนักจอมพานก็หันมาบอกว่าสองคนนี้ยินดีมากครับที่จะได้เดินทางกลับปยัยตะเกียนทองพร้อมกับพวกเราส่วนเรื่องบีห้าสองลำนั้นผมสอบถามดูแล้วเกลียงที่ตะเคียนทองทุกคนไม่เจอรับแทรกรัครอะไรทั้งสิน้นก็แปลว่ามันไม่ได้อยู่ในบริเวณแถบนี้แน่ๆก็ถามผมด้วยกันว่าเราจะบ่ายหน้าไปไหน แล้วคุณบอกพวกเขาว่ายังไงคิดถามพวกมาเร็ ว, รวผมเห็นว่าเมื่อพวกเขาไม่รู้ข่าวการตกของ B ห้ิบสองลำนั้นก็ไม่จําเป็นอะไรที่ต้องบอกความจริงเฉกแต่บอกเขาว่าผมรับจ้างพวกท่านมาสำรวจป่าหาสมุนไพรไปเรื่อยๆเขาก็ไม่สนใจหรือเสียอาการอย่ากรู้อยากเห็นมากไปกว่านั้นดีมากคิดแลสเซรี่พึมพ์คออกมาอย่างพอใจแล้วหัวหน้าคณะค้นหาระบทนิวเคลียสก็ชี้มือไปอยัง M สิบหแบบคลล่มสองก็บอกที่งัดออกมาจากหีบพอ และขณะนี้วางอยู่ใกล้ๆตัวปืนสองกระบอกที่ผมเอาออกมาเตรียมพร้อมไว้แล้วตามข้อแนะนำของคุณคราวนี้มันก็มีปัญหาในข้อที่ว่าเราจะมอบให้ใครถือในระหว่างการเดินทางช่วงที่จัดว่าอันตรายที่สุดนี้เชิดวุฒเปือนหน้าไปซ่อนยิม้มตารพินวางหน้าตายปกติดีที่สุดเหมือนกับไม่สนใจอะไรใดๆทั้งสิ้น ฝ่ายผมทุกคนก็มีปืนครบมือกันหมดแล้วทั้งนั้นและคนของผมก็คงไม่สนใจกับปืนประเภทที่ใช้ในสงครามชนิดนี้พวกเขาเชื่อมั่นและชํานะอยู่ฉพอบปืนล่าสัตว์ของเขาเท่านั้นผมคิดว่าฝ่ายคุณนั้นแหละจะถือไว้ดีกว่าหรื อ, อยังไงครับเซลี่มีสิสิน่ายุ่งยากใจและสายหน้าปฏิเสธช้าชาทางด้านผมหาเลยกันแลกในเรื่องนี้ไม่มีใครอาสาสมัครที่จะถือปืนสองกระบอกพร้อมกันเลยแต่คนเดียวสําหรับเพลสกระเบลไม่ต้องพูดถึง ท้งสองคนปฏิเสธแต่แรกแล้วส่วนผมอีกสามคนคือตัวผมเองคีรัเชอร์วุฒก็ลวนแล้วแต่มีไรเพื้นขนาดหนักติดมืออยู่แล้วถ้าถือทรายกระบอกหนึ่งถืออีกกระบอกหนึ่งมันคงจะหาความคล่องตัวไม่ได้เลยถ้าเกิดไปการประจันหน้ากับไอ้ช้างโถงนั้นขึ้นมาอีกแล้วจะเอาอยัางไงดีครับมอบให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายผมหรือเขาแก้งถามจะเป็นภาระที่หนักเกินไปไหมสําหรับคนของคุณที่จะสะพายติดตัวไว้ในขณะที่มีปืนของตัวเองถือไว้อีกระบอกหนึ่ง เราต้องการให้ฝ่ายคุณเป็นผู้ชายปืนสองกระบอกนี้ไว้ตลอดเวลาของการเดินทางเผื่อว่าถ้าเกิดจําเป็นขึ้นมาจริงๆพวกเราคนใดคนหนึ่งก็สามารถจะหยิบเฉลยขึ้นมาใช้งานได้อย่างทันท่วงทีผมอยากจะให้คุณเป็นผู้พิจารณาเอาเองว่าในบรรดา ค, คนของคุณคนใดบ้างที่จะรับภาระเออารหนึ่งห้าสองกระบอกนี้ไปได้ในสภาพที่ปลอดภัยและพร้อมจะส่งให้เราได้ในทันทีที่เราต้องการละพินเอาลินดุลกับพุ่งแก้มของใบ ห, หน้าที่ตอบเพียวด้านเตรียม แล้วเอื้อมมือไปคว้ากระบอกหนึ่งขึ้นมาพิจนารณาปอดแมคซีนแบบโครง30นัดที่เสียบพร้อมอยู่แล้วออกมาถือเดาะในมือปรากฏว่าตัวแมคซีนบรรจุเต็มเกียดสภาพของมันสมบูรณ์ใหม่เอี่ยมไม่มีกลไดส่วนใดบกพร่องเลยจากการตรวจด้วยสายตาถึงนานตกลงครับจะให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายผมช่วยถือไปให้ก็ได้เขารับคําอย่างง่ายๆคุณจะให้ใครถือคลิกถามเบาๆตามมองนิ่งที่เขาอดีตนายตำรวจตะเวนชายแดนกระชากุูกเลื่อนขึ้นดำฟรีโดยปราศจากกระสุน ยืดฐนันที่หดสั้นออกมาสุดช่วงแล้วนั่งชันเขา่าทดลองปรทับเลนเหนี่ยวไกเฟรีดังแช็คพวกลูกค้าทุกคนมีภาระหนักที่ต้องหาของแล้วยังมีเปืนลูกศองของตัวเองสลอยู่คนละกระบอกแล้วถ้าจะให้พวกลูกหาสลายปืนนี่อีกก็จะเพิ่มภาระเกินไปท่าสีคนของผมเดินกันตัวเป ล, ล่าไม่ได้แบ่หาอะไรมีแต่อะไรเพิ่นประจําตัวติดมือมาอยู่ด้วยเท่านั้น ถ้าจะมอบให้ใครช่วยสไปดไปอีกคนแล้วก็บอกก็คุณไม่หนักนะอะไรนะักผมว่าจะให้จันกับบุญคำทำหน้าที่เป็นก er. ันเบลเลอร์สไปดไสองกระบอกนี่ไปให้พวกคุณถ้าจาเป็นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ให้วิ่งไปเอาที่สองคนนั่นก็ได้ครับจันเป็นภันคุ้มกันประจำตัวเบลอยู่แล้วส่วนบุญคำก็เปลี่ยนเสมือนเป็นเด็กของครสดีเหมือนกันหรือว่าพวกท่านจะเห็นว่าใครเหมาะสมใ้ท่านทนี่มากกว่ากัน ประลังเขาพูดขึ้นเหมือนจะหย่างเสียงมาในขณะที่หันกลับมามองหน้าหมอเบลกับคริสติน่าหนุ่มสาวทั้งคู่นิ่งไม่ออกความเห็นใดๆเซรี่จึงพยักหน้าก็อบอกแล้วว่าสุดแต่คุณจะเห็นสมควรเถอะสําคัญว่ากําชับบุคคลที่จะมอบหน้าที่ให้ถือปืนทั้งสองกระบอกนี้ระมัดระวังใ น, นเรื่องความปลอดภัยไว้ก็แล้วกันที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือการทํำปืนลั่นโดยอุบัติเหตุมันไม่ใช่นัดเดียวเสียด้วยดีไม่ดีพลื่ออกมาทั้งชุดแล้วก็ยุ่งทีเดียว คุต้องตรวจดูคนไกใหเรียบร้อยและเตือนเขาไว้ว่าลักษณะไหนบ้างที่มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ผมต้องการให้ปืนเสียบแม็กคล้อมอยังไม่ขึ้นดําเข้าห้ามไกลไว้ตลอดเวลาและให้ระวังเรื่องการกระทบกระแทกอันจะทําให้แม็กกาซีนบุบซึ่งจะทําให้ปืนขัดลํานั่นเท่ากับเป็นการกําชับกันทางอ้อมว่าไม่ต้องการจะให้ผู้ทําหน้าที่สไตป์ปืนเกี่ยวข้องกับการใช้งานในปืนทั้งสองกระบอกนี้เลย นอกจากการนำไปเฉยๆ เ, เท่านั้นพระพินยิ้มมุมปากแว้บเดียวเท่านั้นก็วางหน้าราบเรียบปกติเหมือนเดิมเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงครับด็อกเตอร์คนของผมรอบคอบระมัดระวังเสนอเกี่ยวกับเรื่องปืนผ่าหน้าไม้รับรองได้ว่าเขาจะช่วยนำพาปืนทั้งสองกระ บ, บอกนี้ไปได้อย่างปลอดภัยที่สุดและเขาจะไม่สนใจกับมันเลยนอกจากจะถือว่ามันเป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งซึ่งเขาจะต้องรักษาไว้ให้พวกคุณอย่างดีที่สุดคิด โปรส่งกระบอกให้ผมซิผมจะได้นําไปให้ทั้งสองคนนั่นดูแลรักษาอย่างเรียบร้อยนายผมทรงลันบินที่อยับจะส่ง M16 อีกกระบอกหนึ่งให้นักบินอย่างพาซือแต่คริสเนียวไหลไว้อี่หลังทวงพร้อมกับสายหน้าช้าช้ยังก่อนคุณละพินปืนทั้งสองกระบอกนี่ระหว่างพักแรมควรจะเก็บไว้ที่เราก่อนและในการพักแรมทุกครั้งก็สั่งให้เขานํำมาคืนให้แกเราด้วยจะมอบให้ถือไปก็แต่เฉพาะเวลาออกเดินทางเท่านั้น ยังไม่ต้องเอาไปตอนนี้หรอกเกะกะเปล่าๆปรเดี๋ยวเอาไปวางทิ้งไว้พวกลูกค้าไม่รู้อะไรเกิดมาหยิบดูเล่นมันจะอาจจะเกิดอบุบัติเหตุขึ้นได้ง่ายๆอย่างนั้นก็ได้ครับสุดแล้วแต่จะสะดวกเขาการาบเรียบๆแต่ในใจบอกกับตนเองว่าแม่ผมทองนี่ไหวพลิ้วเหลี่ยมไม่ใช่ย่อยเลยแต่มันจะยังผลประโยชน์อะไรขึ้นมาในเมื่อระหว่างการออกเดินทางปืนทั้งสงองกระบอกก็ตกอยู่ในมือของเขาอยู่แล้ว สิ่งที่เขาคิดไว้แต่แรกไม่มีผิดไปเลยคริสติน่าไม่ใช่คนเปิดเผยลงไปลงมานักและพยายามที่จะรักษาผล ป, ประโยชน์ของฝ่ายตนไว้อย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้ทีเดียวสะพินไม่สอบพิรุธของการรู้เท่าทันนั้นออกไม้เห็นเหลือบแบบอย่างไม่ตั้งใจไปทางเชื้อดพื่อก็เห็นนายทหารหนุนขมวดคิ้วแต่ก็ไม่เคยเอ่ยโต้แยง้งใดๆเหมือนกันท่านใหญ่เสียบแมกกาซีนของปืนกระบอกที่เขาถืออยู่ในมือเข้าที่ตามเดิมแล้วส่งคืนไปให้คริสโดยดี ตอนยังไม่รับมาในทันทีนั้นถ้าคุณจะรับผิดชอบเก็บรักษาไว้เองเราก็จะพร้อมที่จะมอบให้กับคุณไปเลยเอาไหมอ๋อไม่หรอกครับผมก็ไม่ชอบเป็นภาระซือไว้กระบอกหนึ่งแล้วยังต้องซื้อไว้อีกกระบอกหนึ่งเหมือนพวกคุณเหมือนกันเป็นอันว่าเก็บไว้ที่พวกคุณก่อนก็แล้วกันเวลาจะออกเดินทางเมื่อไหร่ก็ค่อยส่งให้คนของผมช่วยซื้อไปให้ดีกว่าอ๋อทางฝ่ายคุณมีไดน้ำมันประเภทที่ใช้ระเบิดติดตัวมาบ้างหรือเปล่าครับประโยค์หลังก็อถางขึ้นมาอย่างรวมรวม ทั้ง4คนมองหน้ากันแล้วคิดเป็นคนตอบพุ่นๆว่าก็มีติดมาบ้างเหมือนกันแต่ไม่มากนักทำไมหรือแล้วคิงควักผ้าค น, นุนออกมาชึดเหนือที่จะเป็นมันบนใบหน้าและลําคอลุกขึ้นยืนเปล่าไม่มีอะไรหรอกเพงผมเพียงแต่ถามดูเท่านั้นเพราะบางทีอาจจะใช้ประโยชน์ได้บ้างในการเดินทางของเราเอาละครับวันนี้ขอให้ถือว่าเป็นวันพักผ่อนของพวกเราก็แล้วกันเอาแรงไว้สําหรับพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรรีบด่วนผมจะมาร่วมกับพวกคุณอีกครั้งในเวลาหันค่ํา เอามือแตะปีกหมวกสรงให้แก่บุคคลเหล่านั้นแล้วรพินภัยวันก็เดินแยกจากกลุ่มไปโดยกสกิด2เกลี่ยงที่นั่งอยู่ให้ลุกตามขึ้นมาด้วยปล่อยไฟในแจ้างไว้จำนำทางทุกคนในกลุ่มนั้นต้องการจะให้เขาใกล้ชิดร่วมสนทนาด้วยให้นานที่สุดแต่ก็พอจะรู้นิสัยมาคุเทพนำทางกันดีพอสมควรแล้วว่าไม่ชอบสูงสิงเกินความจำเป็นจึงไม่มีใครทักท้วงนอกจากมองตามหลังไปเท่านั้น ฟ้ายังคงขนองอยู่เช่นนั้นแต่ฝนก็ยังไม่ตกเพียงแต่เริ่มมีพายุกระโชกมาเป็นระยะกิ่งใบไผ่ไหวตัวเสียสีกันอยู่คลืนครันแต่สภาพของความทึบของป่าช่วยเป็นแหล่งผ่อนกำลังลมได้เป็นอย่างดีถ้าหากมันจะแปรเปลวนมาเป็นพายุชวงลูกหาดทุกคนกำลังเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับฝนซึ่งกระันลงมาในวินาทีใดวินาทีหนึ่งก็ได้คานใหญ่กลับมาล้มตัวลงนอนอย่างบริเวณสัมภาระรา ข, ของเขาพอศีรษะเอ็นแตะถุงข้าสารที่อาศัยแทนหมอนตะพานเท่าบุญคำเ ข, เ, ขเข้ามายองยอง สีหน้าไม่สบายใจอยู่ข้างข้างถามขึ้นเบาๆบกี่โมงแล้วนายประฐินชัยวันยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูแล้วูกหัวหมวกลงมาปิดตาไว้บอกสั้นๆว่าบ่ายสามกว่าแล้วแล้วก็ประสานมือวางไว้บนโต๊ะแสดงอาการอยากจะพักผ่อนแต่แล้วก็จูปากออกมาอย่างหงุดหงิดลคาคัญใจเมื่อได้ยินเสียงสหมืนมือขวาบ่นอ่อยๆมาอีกว่าอีกตั้งนานและกว่าจะค่ําขนก็ดันจะเสือกตกลงมาอีกทีนี่แหนตะตาคำํำ หยุดพูดอะไรเสียทีไปให้ห่างๆไปขอนอนสักยีบหนึ่งธนาดูแลรอบๆบริเวณให้ดีระหว่างฉันหลับขอรับใช้พวกนายจ้างด้วยถ้าเขาต้องการอะไรอย่าลืมสั่งให้พวกนั้นเตรียมหาฟืนสำรองไว้สำหรับคืนนี้ด้วยพ่อนาอย่าเพิ่งนอนเลยนาะเอ๊ะอิตานน่หนิเดี๋ยวดิดผางเลยคุณคําใจคอไม่ค่อยจะดีเลยมันสงังสายังไงชุกคนอยู่นาแกเงืมงงมอยู่ในลาคอและถอนใจเพือ่อนั่งกอดเขาอยู่ใกล้ๆพอเห็นเขานิ่งเฉยอยู่เช่นนั้นก็เอื้อมมือมาสะกิดเขาอีก แลพิณร้องแล้วดีขาออไปแต่ตาเท่านกรู้หลบออกไปพุ่นรัศมีเขาตบปีกหัวกขึ้นจ้องอย่างชุนฉุนคุณคําทําหน้าเลี่ยเลี่ยเอามือรวบหัวตัวเองจะกวนใจไปถึงไหนนะจานี่ฉันบอกว่าฉันจะนอนไปเดี๋ยวเถอะแล้วกันซิว่อยนี่นายไม่รู้สึกเหมือนคุณคําบ้างเลยเหรอรู้สึกอะไรพานใหญ่ตวาดแหวกก็ไอผีตายทราบพันตีตัวนั้นน่ะสิแกพูดเหมือนกระซิบยอมพานถอนใจเพือกโครงหัวอย่างอ่อนใจ อย่าไปคิดถึงมันอยู่เลยหน่าอะไรว่ากอดแหกไปได้มันก็แค่ผีตายซากเหมือนท่อนไม้ดุ่นเดียวเท่านั้นเองรู้งี้ไม่เรียกไปให้ดูก็จะดีหรอกถ้ามันเป็นแค่ดุ้นไม้ดุ่นเดียวมันก็ดีนะสินายแต่ถ้าไอ้ดุ่นนั้นน่ะมันลุกขึ้นมาเดินได้เห็นทีจะไม่สนุกคุณคำว่าตัดไฟต้นลมหาทางป้องกันไม่ก่อนดีกว่าอย่ารอดูผลจนถึงพรุ่งนี้เช้าอย่างนายว่าเลยถ้าไม่ทําอะไรลงไปสัญญาหนึ่งคืนนี่คุนคำนอนไม่หลับแน่ๆเลย ดูสินี่เห็นไหมคนลุกเรียวกราวอยู่นี่ว่าแล้วแกก็ชี้ให้ดูที่แขนตนเองพร้อมกับพอไหลลงอย่างสุดแสนจะลำคาลและพินถามประชากกระชากว่าแล้วจะเอาอยัางไงตะพานเท้าคานไปที่ถุงย่ามส่วนตัวของแกควักอะไรชนิดหนึ่งขึ้นมาให้ดูมันคือกลุ่มของได้สายสินก้อนขนาดกำปั้นความเก่าขัามข้มคลาทำให้เนื้อได้สีขาวกลาเป็นสีหม่นคล้ำบุญคําจะไปที่ซากของมันเอาสายเส้นนี่ร้อมซากมันไว้เสกกรถาสะกด กันไม่ให้มันขยับเขยื่นไปไหนได้กําหนดอาณาบริเวณให้มันนั่งแงะแก่อยู่ตรงนั้นจนกว่าสายสินจะเปื่อยขาดก็โขจะนานโข อ, อยู่จนกว่าเราจะไปถึงไหนต่อไหนกันแล้วพิปินเกาท้ายถอยแครกคแครและหั ว, วเราคือคือลําคอคุณคําคิดหรือว่าถ้าไอ้ซากนั่นมันมีชีวิตเคลื่อนไหวตัวเองได้เวทมนต์คาถาของคุญคากับสายสินเส้นกระจิบเล็กแค่นี้น่ะจะมีอำ น, นาจควบคุมมันไว้ได้ฮะก็ต้องรอกันดูละนายคุณคําก็สิษมีครูเหมือนกันนี่ แกร้องออกมาเบาๆอย่างเชื่อมั่นในตนเองแับพิมพ์พยักหน้าระบบมือไล่ก็เอาตามใจสิตามสบายเลยไปเถอะจะไปเยี่ยมบางสกุลอะไรของกัมันก็เชิญเถอะฉันจะนอนละนายต้องไปกั บ, บุนคำด้วยสิช่วยกันสองคนดีกว่าคนเดียวนะนายก็คนดีมีวิชาอยู่เหมือนกันในเรื่องนี้ของดีๆประจําตัวนายก็มีอยู่มากจะปล่อยให้ไอ้คําฉายเดี่ยวนะมันจะถูกเรื่องเลย ถ้าปอแทกมากก็ไม่ต้องไปแล้วก็อย่างที่สั่งไว้แล้วอย่าชักชวนใครไปเป็นเพื่อนโดยเด็ดขาดเพราะฉันไม่ต้องการจะให้ใครรู้เรื่องนี้อีกอยากจะไปก็ไปคนเดียวอย่ามาจุกจิกกวนใจอีกนะคราวนี้ตีเอาจริงๆด้วยว่าแล้วเขาก็ล้มตัวลงนอนหลับตาตามเดิมเสียงตาเท้าจอมกลอนอุกอิบมาว่าเอาวะไอคาไปคนเดียวก็ได้เรื่องแค่นี้เองคอยดูยผีมือมั่งรับรองนายเจอสายสินนี้เข้า มันจะนั่งโดอยู่ตรงนั้นขยับขยี้ยไปไหนไม่ได้เลยไม่เชื่อพุ่งนี้คอยไปดูก็แล้วกันเสียงพท้าของแกย่องเปลี่ยหางออกไปและพินไม่สนใจอะไรอีกสงบจิตใจหวังนอนพักเอาแรงกำลังเคลิ้มจะหลับและพินก็ต้องสะดุ้งพรวดขึ้นมาทันทีด้วยอาการขยับปุกอย่างแรงเมื่อเลืมตาขึ้นเขาก็เห็นมือคําตาลเดือดอยู่ข้างๆอ้าปากเหมือนจะพูดอะไรออกมาแต่ไม่มีเสียงนอกจากอาการหอบที่ออกแรงวิ่งมาสุดแรงเกิดหน้าของตาพานเท่าหมอผี แม้จะดูดำเป็นเมียงตามปกติของผิวพันธุ์แกก็ตามแต่บัดนี้เขาเห็นชัดว่าปราสากสีเลือดและดูออกจะเขียวคล้ำปากคอสัน่นคุณคำเกิดอะไรขึ้นนายนายไอผ้ผีผีผีตายทราบตัวนั้นนะนายเสียงกระลุดออกมาอย่างกระหืดก็อหอบฟังแทบจะไม่ได้สับทำไมเขาเหวี่ยตัวนร ง, งแรงคุณคำจากท่านั่งยองยองกลายเป็นนั่งพับเพียบแปะลงไปกับพื้น มันมันหายไปเสียแล้วบุญคาจะเอาสายสินไปล้อมวงมันแต่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่รู้มันหายไปไหนมันไปก่อนที่คุณคาจะไปถึงมันตรงนั้นจบคำพูดอย่างยากเย็นที่กว่าจะดุดออกมาได้แต่ละคำคุณคาก็มีอาการเหมือนจะเป็นลมหนาวสั่นสะท้านทั้งกายยืดแขนขาไว้มัน่น